ด่านใหญ่สุดบุกผู้ว่าราชการจังหวัดกลยุ์สุดท้ายเราเข้าไปหาผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ก็มีปัญหามากกว่าจะออกหนังสือมาแต่ละที่แต่ละที่เพราะผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีความคิดเห็นไม่เหมือนกันอีกนั่นแหละและตอนนั้นก็เกิดเรื่องขัดแย้งกันหลายฝ่าย เหตุที่เราอยากได้หนังสือจากผู้ว่าราชการจังหวัดก็เพื่อว่าเราจะสามารถประสานงานไปได้ในทุกอำเภอพอได้หนังสือจากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วเราก็จะเอาต้นพะป่าไปมอบไว้ตามอำเภอต่างๆได้เลยเมื่ออำเภอมีประชุมประจําเดือน <ๆ S 1> เขาจะได้ประชาสัมพันธ์แล้วก็แจกต้นพระป่าไปตามตำบลและหมู่บ้านต่างๆซึ่งกำนันและผู้ใหญ่บ้านก็เอาต้นพระป่าไปประกาศไปวางไว้ให้ลูกบ้านของตนได้ร่วมทําบุญกันตามกำลังและศรัทธาของเขาคนในทุกพื้นที่ ก็จะมีโอกาสได้ทําบุญกับหลวงตาลักษณะของหนังสือที่จังหวัดทําออกไปผมจําเนื้อความได้ไม่ครบถ้วนแต่สรุปได้ว่าหลวงตามหาบัวท่านจะมาแสดงพระธรร ม, มเทศนาและรับพระป่าช่วยชาติณสถานที่แห่งนี้แห่งนี้จึงขอเชิญชวนข้าราชการพ่อค้าประชาชนให้มาร่วมในโครงการพระป่าช่วยชาติในครั้งนี้ในวันนี้วันนี้เวลานั้นเวลานั้น และขอความร่วมมือมายังส่วนราชการพ่อค้าและประชาชนพร้อมกับหนังสือฉบับนี้มีต้นพระป่าและหนังสือแนบหนึ่งฉบับเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันทําบุญกับหลวงตามหาบัวโดยต้นพระป่านั้นแต่ละพื้นที่ต้องนําไปถวายหลวงตาด้วยตนเองจะไม่มีใครไปรับคือเป็นสิทธิของทุกคนที่จะรวมกันเป็นหมู่คณะและนําต้นพระป่าไปถวายหลวงตาด้วยกันเองซึ่งถ้ามีศรัทธาเขาก็ขวนขวายเอาไปถวายท่าน ถ้าศรัทธาเขาไม่มีต้นพะป่า ก, ก็กลายเป็นต้นยาต้นฟางธรรมดาๆก็รรมไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ก็ไม่เป็นไรพวกเราเพียงแต่พยายามอย่างถึงที่สุดที่จะช่วยให้ทุกคนมีโอกาสได้รับทราบการมาแสดงธรรมและร่วมทาบุญทากุศลกับหลวงตามีอยู่ครั้งหนึ่งที่จังหวัดศรีสะเกษตอนนั้นมีลาดวนเกม เขาเตรียมต้นผ้าป่าไว้ให้เยอะแต่ยังแจกไม่ได้เพราะหนังสืออนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดยังไม่มีพอผมไปถึงงานก็ใกล้จะเริ่มผู้ว่าก็ไม่อยู่ผมจึงขอดูจดหมายที่ทางผู้ว่าส่งมาตําหนิพวกเราก่อนหน้านี้พออ่านแล้วผมบอกทุกคนว่าอันนี้ยังไม่ได้ตําหนิหรือห้ามแจกหรอกเราคงเข้าไปไม่ถูกต้องเฉยๆป้าพรุ่งนี้หลวงพ่อกับเยียหมาไปด้วยกันกับผม เฮียหมาซึ่งแกอยู่ศรีสะเกดก็บอกผมว่าเฮียโฮไปกับหลวงพ่อและกันผมไม่กล้าไปเพราะผมไปหลายเที่ยวละผมไปก็ถูกไล่ออกมาทุกเที่ยวหลวงพ่อซึ่งผมก็จําชื่อของท่านไม่ได้ท่านอยู่วัดติดกับมหาวิทยาลัยราชภัฒศรีสะเกดท่านก็บอกว่าไม่ได้เจ้าต้องไปเจ้าไปกับเฮียโฮโลดก็เกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาเพราะทุกคนถอดใจแล้วในที่สุดผมจึงต้องตัดบท ไม่ต้องเกี่ยงกันละพรุ่งนี้เช้าไปเจอกันที่หน้าสระกลางจังหวัดไม่อย่างนั้นเรื่องไม่จบสทัทีวันรุ่งขึ้นพอเจอกันแล้วพวกเราก็เดินขึ้นไปถึงหน้าห้องผู้ว่าเลยที่จริงแล้วเช้านั้นผู้ว่าจะต้องเข้าประชุมเพราะจะต้องไปเตรียมรับไฟล์ลำดวนเกมที่กรุงเทพแต่ก็แปลกเกิดมีงานด่วนเข้ามาผู้ว่าก็เลยยังต้องคุยยาวอยู่ที่ห้องทํางานยังไม่ได้เข้าห้องประชุมพอผมไปถึง เจา้านาทีนาห้องท่านก็เอ็ดพวกคุณมาทำอะไรกันอีกเนะี่ยหลวงพี่ก็มาตั้งหลายครั้งละผมบอกให้ไปคุยกับศึกษาก็ไม่ไปคุยผมเลยบอกท่านผมไปคุยมาแล้วครับศึกษาบอกให้ผมมาหาผู้ว่านี่และครับนาห้องก็ยังไม่ยอมไม่ได้ไม่ได้ผู้ว่าท่านไม่มีเวลาคุยกับพวกคุณตอนนี้ในอำเภอทุกอเภอนั่งรอท่านอยู่นห้องประชุมท่านออกมาท่านก็ต้องรีบไปผมบอกขอเวลาสองนาทีเท่า น, นั้นครับนาห้องก็ปัด ไม่ได้ไม่ได้อย่ามายุ่งไปไปไปคุยกับศึกษาพอดีผู้ว่าโผล่ออกมาจากห้องท่านใจผมคิดงานเนี้ยเสร็จเราแน่ในอำเภอก็มาประชุมกันที่นี่อยู่ทั้งหมดฉะนั้นผมต้องทำให้ท่านยอมรับให้ได้พอท่านออกมาปับ๊บผมก็สวัสดีครับท่านผู้ว่าท่านก็งง ง, งอ้าวมีเรื่องอะไรล่ะผมเลยรีบพูดนุ่มๆเรื่องโครงการช่วยชาติของหลวงตาครับ ท่านจะมาแสดงธรรมผมก็ชี้แจงครบถ้วนทุกถ้อยความท่านฟังแล้วก็ถามและจะเอาอยัางไงละ่ะผมจึงรีบบอกนี่ผมมาขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ว่าขอให้ท่านการุณาออกหนังสือเป็นลาลักษณ์อักษ ร, รไปตามอำเภอต่างๆเพื่อผมจะได้ประสานงานและแจกต้นพับป่าเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสมาฟังเทศฟังธรรมกับหลวงตาได้มาทําบุญเพื่อแผ่นดินของตัวเองจะน้อยจะมากไม่เป็นไรท่านไม่ว่าแต่หลวงตาท่านอุตส่าห์มาทั้งที ผมอยาให้เป็นเกียรติของจังหวัดศรีสะเกดเราท่านผู้ว่าเป็นผู้นําอยู่ที่เนี่ยก็จะเป็นอนิสงส์งใหญ่ของท่านเพราะท่านพูดคําเดียวคนก็มาทั้งจังหวัดเป็นอนิสงส์งมหาศาลนะครับท่านก็ฟังแล้วบอกอะไอย่างนี้ก็ละกันผมไม่มีเวลาผมกำลังจะเข้าประชุมอยู่เดี๋ยวนี้แหละและผมจะอาวาระเนี้ยเป็นวาระแรกขึ้นมาประชุมเลยผมบอกท่านครับท่านการุณาเซ็นหนังสือให้ผมนิดหนึ่งได้ไหม ผมจะได้เอาไปประสานงานแจกต้นพับป่าตามที่ต่างๆท่านก็ดูเอาคุณไม่เชื่อผมหรอว่าจ่าผมนี่ศักดิ์สิทธิ์กว่าหนังสือนะผมพูดยังไงผมก็ต้องทําให้ได้อย่างนั้นและท่านก็เข้าไปพูดให้ในที่ประชุมพอท่านพูดว่าพูดให้ในที่ประชุมเสร็จ เราก็วิ่งออกไปแจกต้นพับ ป, ป่าตามอำเภอต่างๆเลยเอาคำพูดท่านนี่แหละเป็นหลักฐานไปยืนยันตอนนั้นมันเหลือเวลาอีกเพียงห้าวันหลวงตาก็จะมาแสดงธรรมพอประชุมในจังหวัดเสร็จในอำเภอก็เอาไปประชุมประจําเดือนกับกำนันและผู้ใหญ่บ้านต่อประชุมเสร็จปุ๊บก็แจกต้นพับ ป, ป่ากระจายกระจายออกไปเลยแจกแจกแจกไปเดี๋ยวเดียวเสร็จพอถึงวันที่หลวงตา ม, มาเทศได้เงินทําบุญสมล้านกว่าบาทคนมาฟังธรรมกันแน่นไปหมด เนี่ยแหละเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ยากกว่าจะขอความอนุเคราะห์ได้ก็เลยกลายเป็นว่าพอเจอด่านหินหินก็เยียโฮไปหน่อยเวลาจะไปลุยที่ไหนพอผมชวนหลวงปู่ชิตให้ขึ้นไปด้วยกันท่านบอกบอกเจ้านั่นแหละไปโงเ่เฮงเจ้าดีที่ขอนแก่นก็เช่นเดียวกัน